กรรมฐานฐานะแปลว่าเป็นที่ตั้งอยู่อิมังกรรมฐานนังอิมังแปลว่านี้อิมาันนี้แปลว่าโน่นอยู่ไกลกว่าอิมังอิมังแปลว่านี้นี่ก็คือกายกับใจถ้าจะพูดเป็นสองถ้าจะพูดเป็นสามพวกกายมาจใจถ้าจะพูดเป็นสี่ก็ดินน้ำไฟลมประจุกันเรียกว่า เรียกว่าลูกเรียกว่าลูกขันมันมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีในอดีตไม่ได้มีในอนาคตมะขุนที่พ่านก็มีอยู่ในปัจจุบันจึงยืนยันว่าอาการที่โกไม่มีการไม่มีเวลาจะดูเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นก็เห็นทั้งนั้นก็มีอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่ดูแรลไม่ใช่ดูลมไม่ใช่ดูที่อื่น มีอยู่ทุกขนทุกแห่งในสกนลรกายของเรานี่คําสอนแปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์ที่เทศอยู่สี่ข้อห้าภาษามันมีอยู่ที่กายก า, ายใจของเราหมดถ้าเรามาศาสตราเทศไม่ลําบากท่านก็บอกเอาของเราปฏิบัติเราต้องการเรียนกรรมฐานเออกรรมฐานก็อยู่ที่ทุกๆกหนานนั่นเองคือผลผลได้ฝันไม่ต้องมายืมแตถาวดดอก แตถากัดเป็นผู้แนะนําเมื่ออยู่ครบแล้วพระใจปิดกก็ขาสองแขนสองหัวหนึ่ง น, นอนเฝ้าพระใจปิดกอยู่ทุกๆกท่านทั้งทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระบรมศาณาบอกให้เราปฏิบัติก็มีอยู่ในเราทั้งนั้นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเราท่านก็ไม่บอกเพราะกลัวว่าลูกห ล, ล, ลานจะไปหายิ่งหามันก็ยิ่งไม่เห็น ถ้าเห็นแล้วไม่ต้องหาเพราะมันอยู่ที่การวาจาใจของเราหมดในสกนลรกายเป็นกรรมฐานทั้งนั้นดินน้ําไฟลมก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างผมขนแล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในไขสูกม้ามหัวใจตับทางผืชไตปอดไส้ใหญ่ใส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้เป็นกรรมฐานในธาตุดินทั้งนั้น น้ำดีน้ำเสล็ดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำเปลวมันน้ำตาหน้าเปลวมันน้ำลายน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูดอันนี้ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไ้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างกำหนดเราเป็นธาตุลม ส่วนที่เป็นธาตุไฟไฟที่ยังกายให้อุ่นไฟที่ยังกายให้สดโสมไฟที่ยังกายให้กระวนกวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยนี่ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างลยอย่างนนอกจากนั้นเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุอุเบกขาก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างหละอย่างละอย่างทีนี้เกิดแกเก็บตายก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างลยอย่างกรรมฐานใดๆในไตรโลกธาต์ ก็รวมลงอยู่ที่กายและใจเท่านั้นกายวาจาใจเท่านั้นไม่ได้รวมอยู่ที่อื่นพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่กายวาจาใจสอนก็สอนกายวาจาใจปฏิบัติก็ปฏิบัติกายวาจาใจผลที่ได้รับก็กายวาจาใจเป็นผู้ได้รับจะว่านายทุนคือใจกายวาจาเป็นผู้ช่วยเป็นคู่มือผลรับได้รับเสียก็คือใจ ทีนี่พระใจเป็นรกแก่ย่ยนลงมาเป็นหนึ่งทีนี่แก่ย่นลงมาหาใจเพราะใจเป็นนายทุนก็มาทันใดใดก็มีใจเป็นหัวหน้าพิจารณาทางนั้นถ้าไม่มีใจก็ภาวนาไม่เป็นเมื่อมีใจเป็นหัวหน้าถ้าไปในทางผิดผลของใจก็ด้รับผิดตามส่วนควรค่าของเหตุเมื่อไปในทางถูกผลของใจก็ด้รับถูกตามส่วนควรค่าของเหตุที่น้อยและมากส่วนไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุผลเป็นประมาณ แต่กรรมฐานแต่และอย่างละอย่างคำสอนแต่และอย่างละอย่างเป็นคำสอนที่ก้าวหน้าผู้ใดปฏิบัติตามไม่เป็นคำสอนที่ถอยหลังผู้ปฏิบัติตามไมา่ให้เสียเวลาเลยผู้จิบน้อยก็เค็มน้อยผู้เก็บมากก็เค็มมา ก, ก, เ, มมากเหมือนเกลือเหมือนพริกเหมือนน้ำตาลเผ็ดน้อยหวานน้อยเค็มเผ็ดมากหวานมากตามเหตุผลผู้ที่จิบผู้ที่กินผู้ที่ฉันผู้ที่กิน ผู้ที่ดื่มน้ำก็เหมือนกันกรรมฐานแต่และอย่างละอย่างไม่ลงธรรมากเราจะมีสติพิจรารณาหรือไม่เท่านั้นเดี๋ยวนี้ลราจะพิจรารณากรรมฐานอะไรเป็นลาเป็นสันหเห็นคุณในกรรมฐานนั้ น, น, นดูเท่นานั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของมีจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลงคืนเชล้วไม่ได้ล่วงไปไหนพระพุทธศาสนาล่วงไปสองฟัน ห้ารอยยี่สิบแปดก็ตาแต่กรรมฐานไม่ได้ล่วงไปด้วยความจริงของธรรมะไม่ได้ล่วงไปด้วยจริงอย่างไรก็จริงอยู่อย่างนั้นดอกบัวสีเหลาก็าไม่ได้ล่วงไปด้วยทั้งนี้ก็มีอยู่ทุกหัวยทุกน้องที่มีดอกบัวหรือทุกสระดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มภูมิ ดอกใต้น้ําก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกเสมอน้ํนาก็เสมอหน้าเต็มภูมิมีอยู่ทุกการผมของเราก็มีอยู่ทุกการคนของเราก็มีอยู่ทุกการพุทโธก็มีอยู่ทุกการคุณของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ทุกการไม่ใช่ว่าเราพิจารณาแล้วจึงจะมีก็มีอยู่ก่อนแล้วพของมันมีอยู่ก่อนแล้วก็พิจารณาไม่ได้สริงๆที่มีอยู่ก่อนเนี่ยเราจึงพิจารณาได้ ไม่ได้ยืมใครมามีอยู่ทุกทุกท่านแล้วยืมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อยืมล่างกระดูกของท่านไปพิจาณาบ้างเดี๋ยวจะมาส่งก็ไม่ได้บอกของใครของมันมีอยู่ทุกกิริยาบทขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเขาลงห้วยตกไหนก็ไปด้วยเหมือนหนึ่งสองแขนติดสนิทกายลงน้าขึ้นบกตกไหนก็ไปด้วย คงตู้ช่วยเพื่อนพี่ไม่หนีนายรู้รักกันอย่ามีราขีขายใครต่อไรเี็บแทนโดยแค้นเกลื่งสำหรับพี่และกับนอ้องวิดาสอนลูกลูกมันทะเลาะกันวิดาก็เลยมาสอนน้องรับพี่ร่วมชีวีพี่ร่วมท้องเหมือนหนึ่งสองแขนติดสนิทกายลงน้ำขึ้นบกตกไหนก็ไปด้วยคงตู้ช่วยเพื่อนพี่ไม่หนีนาย รู้รักกันอย่าได้มีดาคิวพายใครสาลรายเกลียดเกทนหรือแค้นเครืองสําหรับพี่ขํางนอกมาให้แตกวงตระกูลกันมิดาสอนลูกข้าพเจ้ามาศาสน า, า, าก็สอนเหมือนกันมาให้ญาติวงแตกตระกูลกันอันนี้กรรมฐ า, านที่นี่เราจะพิจารณากรรมฐ า, านธานวัดศีลวัดเราก็ทําแล้วไม่เป็นเครื่องอุ่นใจพอจึงภาวนาวัดจะรวมทานและศีลเข้ามาอยู่ในภาวนาวัดที่นี้จะรวมบุญของทานบุญของศีลบุญของภาวนา มารวมที่ภาวนาวัดอีกวัดตรัสไม่ใช่วัดเวียงข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่วัดตัวดอเด็กข้อวัดประจําวันข้อวัดประจําใจข้อวัดประจําคืนข้อวัดทําบุญคู่อายุคือภาวนาทําบุญฉลองอายุก็ทําอยู่ทุกวันวันไหนมันก็เกิดอยู่ทุกวันทุกวันถ้าเราทําบุญวันไหนมันก็ฉลองวันเกิดอยู่ทุกวัน ถ้ามันตายจากเช่าสายบ่ายเที่ยมเราทําบุญทํากุศลส่วนไหนมันก็ฉลองวันตายของเราอยู่ทุกวันที่ท่านสมมุติเราห้าสิบวันยี่สิบวันหรือร้อยวันนั่นเป็นท่านสมมุติเผื่อให้ประชาชนทําต่างๆไอ้แทกริงงทที่แทกริ้งบุญในทางปรวัตเราทําอยู่ทุกวันมันก็มีอยู่ทุกวันเราทําบาปอยู่ทุกวันก็ฉลองอายุของบาปอยู่ทุกวันเราทําบุญอยู่ทุกวันก็เพิ่มบุญอยู่ทุกวัน มันต้องพิจารณาอย่างนั้นสําหรับผู้ปฏิบัติถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับกิเลสไม่ทำก็ไม่ทันกับความหลงของตนจะมัวไปติดตือแต่ปริยัติถ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกต้องติดปรมาจารย์บ้างพระมัดเข้าที่กายวายกายใจพระวินยัยก็พระวินัยกายพระวินัยวาจาพระวินัยใจถ้าไม่มีใจก็รักษาพระวินัยไม่ได้คนตายรักษาไม่ได้ พระสูตรก็คือสูตรของกายสูตรของวาจาสูตรของใจที่ไปทําถูกทําผิดที่ไปทําดีทําชั่วเป็นสูตรทีนี้ปรมัจาย์ทีนี่ก็มัดเข้าในกายมัดเข้าในวาจามัดเข้าในใจทุกลงพระสูตรก็ดีพระปรมัตา์ก็ดีพระวินัยก็ดีก็เป็นเชือกสามเกลียวอยู่ในคณะเดียวกัน เหมือนกับดินน้ำไฟลมไปชมนเป็นกายเดียวกว่าลูกก็เป็นเชือกสี่เกลียวอยู่ในขณะเดียวกันในสกนลล่กายโูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ในขณะเดียวกันในปัจจุบันนะเราไม่ต้องสงสัยไปหาทางอื่นเห็นก็เห็นอยู่ที่กายไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่กายแล้วทอดเหลงแล้วเขาทอดเหลงแล้วเขาก็ต้องงมป่าในเหงา ในแห่ในอวนของเขาถ้าเขาไปมมนอกใแหนอกอวนมันก็ไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นแช่แลปลาท่้นทันใดก็ดีถ้าเราสงสัยออกนี้จากกายจากใจไม่ทวนกระแสะแล้วไม่ทวนกระแสดูแล้วมันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็ต้องหาเมื่อหาก็ต้องหวนเราไม่ต้องหา ต้องการเวลาไหนทําได้ทั้งนั้นต้องการกรรมฐานอะไรเป็นของทิพย์ทั้งนั้นโลกทิพย์มันเป็นโลกทิพย์แล้วสกลรกกายวาจาใจถ้าเราทําดีเขาเป็นทิพย์ไปทางดีถ้าเรา ท, ท, ปปทาํ า, าทชั่วก็เป็นทิพย์ไปทางชั่วถ้าเราจับไฟก็เป็นทิพย์ไปทางร้อนถ้าเราเว้นก็เป็นทิพย์ไปทางไม่ร้อนนั่นเป็นของทิพย์หมดถ้าเราพ้นจากกิเลสเขเป็นของมหาทิพย์ไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีก ไม่มาโรคมาโกรธมาหลงอีกนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของทิพย์หมดเราอยากนั่งก็นั่งได้ก็เป็นของทิพย์เราอยากนอนก็นอนได้เป็นของทิพย์เราอยากทำบุญให้ทานตามสตกิกำลังของเราเราก็ทำได้เป็นของทิพย์ทั้งนั้นผลของการทำก็มาหาเราอีกเราคือใจใจคือเราตามสมมุติไม่คัดพลาดเราจะสงสัยไปไหน ถ้าสงสัยมันก็สายมันก็บายมันก็คั่มคั่าคือตายบายคือแก่ชราไปเปล่าสายก็คือแก่ไปบ้างแล้วแต่เช้าก็คือปฏิบัติธรรมะยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่มีอานิสงส์มากเราชอบกรรมฐานอันใดเราเลือกได้ทั้งนั้น เราไปซื้อของในตึกในร้านเขาไม่มีตังเขาก็ไม่ให้ไม่มีเงินเขาก็ไม่ให้เราซื้อในพระพุทธศาสนาไม่ต้องการเงินเราจะพิจารณาอะไรก็ได้ทั้งนั้นในตัวของเรานะี่ยนักกระทู้ทีนี้มาในคัมภีร์อะไรคําทู้กระทู้กระทู้กายกระทู้วาจากระทู้ใจของเก่านะั่นแหละยกกระทู้ขึ้นพิจารณากายพิจ า, ายจารณาวาจาพิจารณาใจของเก่านะมาจากคัมภีร์ไหน ก็มาจากคำพีมโนภูพังขามาธารมามโนเสตท้ามหนพยาทางนั้นมาจากคำพีใจทำบาปก็มาจากคำพีใจทำบุญก็มาจากคำพีใจทีขวักก็อธิบายยาวจุลวัค ก, ก็อธิบายสั้นมหาวกก็อธิบายหลายวัคจุนลนิเทศก็อธิบายนิเทศเรียกว่านิทานนิทานของกายของวิจาของไจนั่นเอง มัคิมมะนิเทศสแสดงขนาดกลางเรื่องนิทานของกายของวาจชาของใจเอกานิเทศย่นลงถึงเอกจิตคือนิทานของจิตเอกานิบาศย่นลงถึงจิตเมื่อย่นลงถึงจิตแล้วก็เอกศีลเอกสมาธิเอกปัญญาก็รวมกันอยู่ที่แห่งเดียวไม่ได้เป็นสงครามกันแต่ความหลงความพอใจผิดของเราเป็นสงครามเราต่างหากิ่งทั้งปวงไม่ได้เป็นสงครามกันมีอยู่แล้ว อนิจจ mm. mm. mm. yeah. yeah. ังทุกขังอนัตตาเขาเนี s, mm. <S mm. ่ยเป็นสงครามกันจริงอยู่ตามทุกขังจริงอยู่ตามอนิจจังจริงอยู่ตามอนัตตาสมมุติก็จริงอยู่ตามสมมติไม่มุตตว่าจริงอยู่ตามไมมุติซึ่งเหล่านั้นไม่มาโต้แย้งกันเราเป็นปัญหาเราโต้แย้งเราต่างหากเหตุฉะนั้นเราหัดให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลุดพ้นจากความหลงของตนตามเป็นจริงไปเป็นชั้นๆั้นด้วย กรรมฐานใดๆในสกลละกายในสกลละวาจาในสกลละใจแล้วก็พิกเจรณาพุทโธพุทโธพุทโธก็มีอยู่ที่ใจใจเป็นผู้ว่าขึ้นใจเป็นผู้นึกถึงขึ้นคุณของพุทธเจ้าไม่มีประมาณกิเลสไม่มีประมาณคุณของพูะพทธระธรรมประสงค์ก็ไม่มีประมาณความหลงไม่มีประมาณคุณของพระพุทธประธรรมประสงค์ก็ไม่มีประมาณโลกคนหลงไม่มีประมาณคุณของพระพุทธประธรรมประสงค์ไม่มีประมาณ ถ้าจะย่นลงมาหนึ่งย่นคุณเอาพุทธรรมประสงค์ลงมาหนึ่งก็ย่นกิเลสลงมาหนึ่งอีกเหมือนกันถ้าย่นสังขารลงมาหนึ่งก็ย่นศีลสมาธิลงมาอันหนึ่งเหมือนกันถ้ายน่นคําสอนลงมาเป็นหนึ่งก็ย่นกิเลสลงมาเป็นหนึ่งเหมือนกันถ้าจะนั่นก็ไม่ทันกันโรคทั้งปวงย่นลงมาถึงเอกโรค ปัญญาทั้งปวงย่นลงมาถึงเอกปัญญาในปัจจุบันพ่อมกับลมหายใจเข้าออกก็ถูกพ่อมกับขณะคิตที่นึกคิดก็ถูกมันรวมด้วยวิธีไหนก็บริกรรมวิธีนั้นการภาวนานี่บริกรรมไม่พอมันก็ไม่รวมบริกรรมให้ติดต่ออยู่ไม่ขาดสารมันจึงรวมไว้อย่างนั้นมันก็ไม่รวมเพราะมันดือ้อมันเคยไปแล้วมันเคยเที่ยวเตร่ทุกทิศทุกทาง ถ้าบอกให้มันอยู่แล้วมันไม่ค่อยจะอยู่แล้วต้องดึงมันมาให้อยู่เพราะมันเคยเที่ยวทัศนาจรมันทัศนาจรมาในโลกในสงสารมากแล้วจะดึงให้มันอยู่มันก็ไม่ค่อยอยากอยู่มันเที่ยวอดเที่ยวอยากแล้วมันเที่ยวทุกเที่ยวยากทำไมมันนึกคิดเสมอเสมอ มันก็นึกคิดหาความสุขของมันแต่มันไม่เจอนึกอันนั้นแล้วก็ไม่เจอนึกอันนี้แล้วก็ไม่เจอมันก็วนไปวนมาอยู่อย่างนั้นอือาหารของสั ต, ตว์กบาลีงการอาหารอาหารคือคําข้าวพัสอาหารอาหารคือสัมผัสจักจัสัมผัสโสตัสัมผัสขณะสัมผัสจิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมนุสัมผัส มโนสัญเจตนาอาหารเป็นอาหารของสัตว์อีกเพราะมีเกีตนาความนึกคิดวิญญาณอาหารอาหารคือญญค ว, วิญญาณจักขูวิญญาณโสตาวิญญาณขานัวิญญาณจิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายอาหารทั้งหลายรวมลงไปอยู่ที่มโนวิญญาณ รวมไปอยู่ที่ใจอาหารทั้งหลายถ้าใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นจะเห็นก็เป็นเรื่องของใจไม่เห็นก็เป็นเรื่องของใจจะไปโทษคนไหนก็ไม่ได้ใจจะไปโทษคนอื่นก็ไม่ถูกจะไปให้คะแนนคนอื่นมากกว่าตัวก็ไม่ถูกเพราะกายกวาจาเขาไม่รับคะแนนเขาไม่ได้ปัดใครจะให้คะแนนสักเพียงไหนเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปัดด้วยทดลงองก็ใจเป็นที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนคือใจเป็นที่พึ่งของใจ ย่นธรรมะแปดมืนสี่พระธรรมขันธ์ลงมาที่ใจก็พัฒนาง่ายกรรมฐานใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้าตั้งสติก็มีใจเป็นหัวหน้าตั้งสติในกรรมฐานใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้าเป็นมีใจเป็นผู้บังคับมีปัญญาสมยุทธ์ด้วยมีสติสัมปชัญญะสมยุทธ์ด้วยตั้งสติกําหนดกรรมฐาน ทุตธรรมสงอยู่ท <pound> ี <out zers> it. It ่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นผีก็อยู่ที่ใจถ้าเราถือผีถ้าเราไม่ถือมันก็ไม่อยู่ความเกลียดข้านก็อยู่ที่ใจถ้าเราไม่เกลียดข้านมันก็ไม่อยู่ที่นั่นถ้าเราไล่มันหนีด้วยความหวั่นมันก็หนีเลยมันก็นี้ออกจากใจความเข้าใจผิดก็อยู่ที่ใจถ้าใจไล่ความเข้าใจผิดออกแล้วมันก็อยู่ที่ใจอีก ใจอันเดียวถ้าปล่อยให้ความหลงมาเป็นเจ้าแล้วนันก็ไม่มีที่อยู่เก้าอี้อันเดียวสมมุติปล่อยให้โจรให้มารมานั่งซักเราก็ไม่มีโอกาสที่จะนั่งต้องไล่มันหนีทุกทุกท่านก็จะได้ลาสังขารทิ้ไงไว้ในโลก จะรักเขยรักงามรักเกียรติรักชังสักเพียงใดก็ตามแต่ก็ต้องปล่อยสังขารทั้งหลายทิ้งไว้ในโลกนี้โลกคือมูสัตว์อันชราพยาธิมณ ana นำะข้าไปใกล้มายั่งยืนโลกคือมูสัตลุกคล่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุแทนตัญหารูปะตัญหาสัธตัญหาคันทะตัญหาราษตะตัญหาโผลตพัตัญหาสมะตัญหา เกิดเป็นวันไหนมาก็มองด้วยตารู ป, ปะตัญหาเกิดวันวันไหนๆมาก็ฟังเสียงถ้ากำลัดในเสียงก็ชัดทักัญหากำลัดในรูปรู ป, ปะตัญหากำนัดในกลิ่นก็ภาณะตัญหากำลัดในรสก็ชิวละสสะัญหากำลัดในเย็นร้อนอ่อนเข็งก็โพทะภาัญหากำนัดในธรรมาลมในที่ทางปวง มีการเอาวิตกพยาบาทมิตกวิถิงสามิตกเป็นต้นก็เรียกว่าธรรมะตันหานาทีตันหาสมานนทีแม่น้ำเสมอตันหาไม่มีความดับตันหาในสิ้นเชิงทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นความดับทุกข์ปัญญาเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกข์สิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิดสิ่งนี้ความดับทุกข์สิ่งนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับทุกข์ ก็ได้ชื่อว่ามักคือสินสมาธิปัญญามักนั้นมีองค์แปดประการคือสมาธิิสมาอันความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจติเห็นทุกเห็นเสื่อมุทายเห็นในโลกเห็นมักสมากรรมสังกปะดำริชอบดำลิจะออกจากกามหนึ่งจะออกจากกามมวิตกดำลิจะออกจากการพยาบาทดำริจะออกจากการเบียดเบียนสมากรรมมันโต สัมมาวาจาวาจาชอคือเว้นจากวจีทุจริตสี่เว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเพื่อเจอสัมมากรรมันโตวเว้นจากกายทุจริตสามเว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมสัมวาสัมมาอาชีโบเว้นจากเลี้ยงชีวิตผิดหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิต สัมมาวายามู่เพียรชอบคือเพียรในที่สีลสถานเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้นในส้นดานบาปเกิดขึ้นแล้วก็เพียรละบาปเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในเส้นดานกุศลเกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษากุศลไม่ให้เสื่อมความเพียรสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบความประกอบภายในตนสัมาสมาธิตั้งมั่นในศีลตั้งมั่นในความเห็นถูกตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ควาิติกําลังของตนฉันทะพอใจและไขในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียนหมัอนประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตธะเอาใจพักฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสาหมันตีตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดก็รวมลงเป็นเชือกแปดเกลียวอยู่ในขณะเดียวในปัจจุบันนั่นที่เราขยายออกก็เรียกว่าเรียงแบบเฉยๆถ้าเราไม่ขยายมันก็มารวมอยู่ที่นั่น ตาหูจมูกกลิ้นตาหูหน้าตาจมูกปากถ้าเราเห็นหน้าเราก็เห well. ็นตาเหมือนกันเพราะอยู่แห่งเดียวกันถ้าเราเห็นหนังเราก็เห็นเนื้อเห็นกระดูกเหมือนกันถ้าเราเห็นดินเราก็เห็นน้ําเห็นไฟเห็นลมเหมือนกันเพราะอยู่ที่แห่งเดียวกันถ้าเราเห็นเกิดเราก็ต้องเห็นแก่เห็นเก็บเห็นตายเหมือนกันอันเดียวกัน ถ้าเราเห็นอันนี้จังเราก็ต้องเห็นทุกครั้งอนัตตาเหมือนกันเพราะอยู่ในที่แห่งเดียวกันไม่นดอยู่คนละมุมโลกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่แห่งเดียวกันหมดรวมกันอยู่แล้วเราจะพิจารณาตามเป็นจริงเพื่อกันความหลงของเราเฉยงถ้าเราหลงเราก็จะคืนมาดูอีกในโลกอันนี้ถ้าเราไม่หลงเราก็ไม่คืนมาถ้าเราเห็นชัดแล้วเราก็ไม่คืนมาธรรมดาสิ่งไหนที่หลง มันก็ต้องคืนมาดูสิ่งไหนที่สงสัยก็ต้องคืนมาดูในใจโลกธาตเนี่ยเราไม่ได้หวังมาอยากจะคืนมาอีกเพราะเราเบื่อจะสร้างแลไรปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวาจะสงสารเบื่อได้เบื่อเสียเบื่อกินเบื่อนั่งเบื่อนอนเบื่อถ่ายเบื่อหิวอเบื่อโรคบรรเทาอันนั้นแล้วอันนั้นก็เกิดมาบรรเทาอันนี้แล้วอันนี้ก็เกิดมาเหมือนได้ยาก วางเสียงไม่พอสามสี่วันก็งอกขึ้นมาแล้วอันเดียวกันเหมือนหิวอาหารไม่เช่านี่ก็พากันเอาคุกคุยอยู่แต่ว่าตอนเช้าเอี ก, ก็จะเอาอีกแล่วนะับเพิ่มกันอยู่สูงเงินสูงเงินเป็นทุกข์แท้ในโลกอาหารปริเยเทติทุกข์ทุกข์ในการหากินทัพยทั้งหลายออกหากินเสี่ยงต่ออันตรายนกหนูปูปีกก็ระวังตัวเหมือนกัน เกรงว่าตัวมีอํานาจวาสนาจะมาเฉี่ยวออกไปกินนั่นปลาตัวเล็กออกหากินก็ระวังปลาตัวโตวแตกร่งว่ามันจะมาอุ้งผงเอาไปกินข้าบเอาไปกินเสือต่อเสือก็กิกนกันตัวไหนมีกําลังก็กินกันตัวไหนกําลังน้อยเราไปเห็นมันคุมกันอยู่ที่ภูเก็ตเออมันก็เป็นธรรมเทศนาเนี่ยเสือดาวตัวหนึ่ง เสือโงตัวหนึ่งเสือเหลืองตัวหนึ่งสามตัวอยู่ที่เขาตโแเ ะ, ะเวลาไปบินถาดมามองเห็นอยู่ข้างบนพระทั้งหลายก็มาดูกันเสือทางนั้นไม่กลัวคนอยู่ในภูเก็ตนะึงเขาโตเซวะนะนกันอยู่ตัวเล็กมันลงมาข้างล่างที่นี่ตีนเขามันเกออยอย่างนี้มันลงมาทางนี้ เดี๋ยวมันก็ปีนขึ้นข้างบนตัวใหญ่ก็ลงมาทางนี้วนกันอยู่อาหาระประยยทะทิยธิตทุก์มันก็ออกมาหากินวิวาทะมูลทุกมันก็เป็นทุกชัดทั้งปวงเป็นทุกมากวิวาทะมูลละทุกทุกพ่อวิวาทเป็นมูลตัวเถียงเกี่ยงงอนกันกลัวแพ้กลัวชนะก็เป็นทุกเหมือนกันอาหารปรยยททิยธิตทุกทุกในการหากิน โดยย่อปัญจอุปาทานะขันธ์ทุกขาปัญจขันธ์เองเป็นทุกโดยย่อก็คือกิเลสเป็นทุกขัขนธมานมานคือปัญจขันธเป็นทุกขกิเลสมานมานคือกิเลสเป็นทุกอภิสังขารมารมานคืออภิสังขารก็เป็นทุกเทพบุตรมานมันคือเทวบุตรก็เป็นทุกมัจจุมานมันคือมรณนะอันนี้ก็เป็นทุกชนะกิเลสมานแล้วก็ชนะสิ่งทั้งปวงหมด พระรหัน์จาพวกเดียวออกจากคุกได้พระอนาคามีก็ยังออกจากคุกไม่ได้พระพระหันจําพวกเดียวแต่ว่าติดคุกเบาพระสวสดาวันก็ติดคุกอยู่แต่ว่ามีเวลาจะออกมีคิวที่จะออกพระจักรทาคามีก็ติดคุกแต่ก็มีคิวที่จะออกพระอนาคามีมีคิวที่จะออกมากกว่าแล้วพระรหัน์ข้ามคิวคุกไปแล้วทีนี้ผูุ้โชนคนหนา ดกว่าพระสวดดาวันลงมาเออมันก็มาหันจะทุกข์เพราะยังไม่มีคิวล่มเข้าข้างหนึ่งครบแปดหมื่นสีพระธรรมขันล่มออกข้างหนึ่งก็ครบแปดหมื่นสีพระธรรมขัน ขณะจิตที่นึกขึ้นข้างหนึ่งก็เป็นค้บแปดหมืนสีพระธรรมขันธ์เขขันธ์ไปในทางเกิดทางดับทางแปรปูวนเมื่อเมื่อนายคลายเมาอันนี้แล้วก็พ้นเท่นั้นก็พ้นจากความหลงเท่านั้นพิจารณาสกุลรกายไม่ได้พิจารณาเพื่อจะให้เอาไปพระนิพพานด้วยพิจารณาเวทนาสัญญาทังขานเวิญญาณก็ดี พี่เจนาอะไรในโลกไม่ได้หวังเพื่อจะให้หอบไปพระนิพพานด้วยพิจารณาเพื่อให้เป็นเครื่องหนานเครื่องคายองกําหนังความที่ลงติดอยู่หลายภพหลายชาติตานั้นมีปัญหาตอนนั้นไม่มีปัญหาอื่นวันคืนเป็นวันคืนท่านผู้ใดเป็นวันคืนที่สมมุติการใช่เฉยๆชีวิตเป็นชีวิตของท่านผู้ใด ไม่ได้เป็นชีวิตของท่านเพื่อใดก็สมมุติกันเฉยๆเดี๋ยวก็ทอดทิ้งกันหมด่ในไตโก ร, ตรกท่าเป็นบ้านเมืองของไทยก็ไม่เป็นบ้านเมืองของไทยล่ะถ้าพูดตามประมรัฐ ต, ตามก็จะได้แยกย้ายกันไปตามยาถากรรมของตนว่าในส่วนสมมุติก็ประเทศชาติบ้านเมืองคนนั่นคนนี้เนะี่ยศีนสําหรับกําจัดกิเลสอย่างหยาบ ถ้าไม่มีศีลมันก็ปฏิบัติยากเสาทางต้นจะไม่ถากเสียเลยจะไม่เล้าเสียเลยจะเอากระดาษทรายมาถูเลยมันก็ไม่ไหวจำเป็นก็ต้องถากออกเรียกว่าศีลใจอย่างหยาบ ใ, ใจอย่างกลางใกล้ใจอย่างหยาบคือศีลกําจัดใ้อย่างกลางคือสมาธิกําจัดใจอย่างละเอียดคือปัญญากําจัดให้ละเอียด ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ม death, horses, ีหน้าท <It> ี่จะแก้แก้กิเลสของเราเท่านั้นแก้กิเลสของเราเข้าเข้าสู่ธรรมะเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นหน้าที่จะแก้ดินน้ำไฟลมก็เป็นไม่เป็นหน้าที่จะแก้อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็ไม่เป็นหน้าที่จะแก้แก้เราให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นจากความของตามเป็นจริงเท่านั้นอย่งอื่นไม่ไม่เป็นหน้าที่จะแก้ แก้เรามาให้หลงกายแก้เรามาให้หลงใจแก้เรามาให้หลงอดีตแก้เรามาให้หลงอนาคตแก้เรามาให้หลงปัจจุบันเท่านั้นแก้เรามาให้ยินดีในโลกทั้งปวงเรายินดีในโลกทั้งปวงก็คือกายทั้งปวงคือวาจาทั้งปวงก็คือใจทั้งปวงโลกทั้งปวงที่เป็นฝ่าย พสูตรสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินเทวโลกได้แก่ชะกามาพระเจริญกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปประรมสิบหกชั้นกับอรูปประรมสี่ชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอานิจจังทุกครังอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็แปป้วนแลแตกสลายทั้งนั้นไม่มีอะไรกิรังยั่งยืนดอกไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอม เหตุฉะนั้นพระริยาเจ้าจึงมีหนทางจะเบื่อหน่ายได้ถ้าสิงทั้งปวงเป็นของเที่ยงในใตจโลกธาตุเป็นของกี่รังยังยืนอยู่ในอันใดอันหนึ่งเสียแล้วพระอนิจจเจ้าการจะเบื่อหน่ายคลายเมาในวัจารสงสารก็ไม่มีถ้ามีประตูที่จะแอบกินอยู่มองดูมาเห็นสักประตูเสียเลยท่านจึงยอมเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏจารสงสารไปถ้าเราเห็นอ น, นิจจังชัด พ่อลมลมหายใจเข้าออกเราก็ตัดสินได้ว่าใ ด, ดในโลกล้วนอนิจจังทั้งนั้นนั่นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเราเห็นชัดในกรรมฐานเราก็ไม่สงสัยถ้าเราเห็นในปัญญาที่ฟังมาเรียกว่าสุตตะมยปัญญาเราก็สงสัยถ้าเห็นพ่อมกลมลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่สงสัยพอเราบัญญัติว่าต้นต้นลมมันก็แปลปวนเป็นกลางลมเสียแล้ว พอบัญญัติว่าเป็นกลางลมมันก็ปลายแปรปวนมาเป็นท่ายลมเสร็จแล้วนั่นคืออันนี้จังอันละเอียดยคล้ายพยับแดกนดเราเห็นท่ามันมีทั้งเกิดทั้งแปรปวนทั้งดับเร็วนะับนั่นสังขารละเอียดก็เกิดขึ้นละเอียดก็แปรปวนละเอียดก็ดับละเอียดอยู่ในที่นั้นไม่ได้ลี้ลับเลยเกิดขึ้นอย่างพึงพ่ายแปรปวนอย่างพึงพ่ายดับอย่างพึงพ่ายไม่ละอายใครเลยใครจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหา นั่นแล้วต้องไปทางรัดบ้างไปทางโค้งไม่ไหวกรรมฐ า, าน ใ, นใดๆทั้งปวงมาอยู่ใต้อำนาจอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหมดถ้าเราพิจะจรณาอ น, นิจจังชัดกรรมฐ า, านใดๆก็มารวมอยู่ที่นั่นการที่เรารวมสติลงไปส ง, งบอยู่หมดกําลังมันก็ถอนออกมานั่นไม่ใช่อ น, นิจจังหรอกหรือนะ่ะ บุญขนาดนั้นแล้วยังเกิดยังดับเป็นอยู่อันนี้สงฆ์ขนาดนั้นก็ยังเกิดยังดับเป็นอยู่ผู้พิจารณาอานิจจังอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็คือผู้พิจารณาทุกขังอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็คือผู้พิจารณาอานัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นเป็นแต่สาวะเกิดขึ้นแล้วแ ป, ปรปรวนแล้วแต่สลายมีแต่ทุกข์เท่านั้นก็อันเดียวกันรอบโลกแล้วพะโลกเต็มไปด้วยอนิจจัง เห็นชัดในอนิจจังก็รอบโลกแล้วเห็นชัดในทุกขังก็รอบโลกแล้วเห็นชัดอนัตตาในอนัตตาไม่ใช่สัตไม่ใช่บุคคลไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจองคุกแก่เก็บตายไม่มีใครปารถนาก็ฝ่าฝืนความปารถนาเฉ้ๆแล้วก็เห็นรอบโลกอีกเหมือนกันน่ะเมื่อเห็นรอบโลกก็เห็นรอบธรรมอีกเหมือนกันก็เห็นรอบกิเลสอีกเหมือนกัน ท um galaxies, them, ี be ่นี่จะชวนให้ไปหลงอีกจะขบวนคืนมันก็ไม่ขบวนคืนที่เราจะสําคัญว่ามันเป็นสุขมันก็ไม่ขบวนคืนเราอีกเราเห็นชัดแล้วที่จะสําคัญว่ามันเป็นของกีรังยั่งยืนเรามันก็ไม่ขบวนคืนเราอีกเพราะเราเห็นชัดในภาวนาของเราไม่ได้เห็นตามตื่นข่าวไม่ได้เห็นตามที่จํามาไม่ได้เห็นตามที่ข่าวเล่าลือไม่ได้เห็นตามครูบาอาจารย์ที่เรานับถือ ก็เห็นเป็นปรจัจจคสิทธิในภาวนาของเราผู้ยิ่งเด่นขึ้นครว่าการเราฟังมาก็เป็นพยานเราอีกด้วยหรือครูบาอาจารย์ก็เป็นพยานเราอีกด้วยเป็นพยานในภาวนาของเราแล้วพิจารณาสกลรกายเต็มไปพร่องด้วยเป็นเต็มไปพร่องเต็มไปด้วยของเปื่อยเน่าเนี่ยมันจริงไหม เราพิญงานอย่างนั้นมันก็เป็นจริงอย่างนั้นทีนี้ e ่ทีนี้ครูบาอาจารย์ก็เป็นพยานเราในตัวที่นี้นะครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนครูบาอาจารย์สั่งสอนภายในก็คือการพิจารณาของเราครูบาอาจารย์ภายในครูบาอาจารย์ภายนอกก็คือบครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละบุคคล ตลอดถึงพระสมณะท่านพุทธเจ้าไป็ที่อบอกทางที่อบอกหนทางเราจะทําแทนพระท่นานก็ไม่ได้เราเป็นเพียงบอกหนทางให้พระท่านพวกลู ก, ลกลหลานพวกคุณหนูพวกท่านทั้งหลายบางทีท่านก็เรียกคําว่าท่านทั้งหลายบางทีท่านก็เรียกว่าสูทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าสูทั้งหลายก็แสดงความคุ้นเชื่อมเหมือนพูดกับลู ก, ลกลหลานพระบรามศาสนา บางทีก็ชให้เกียดว่าท่านทั้งหลายนรนะีบภาวนาเนอะอ่ะใครเคยภาวนาอันไหนก็ภาวนาะอันนั้นของใครของมันให้เห็นไปจากในภาวนาของตนเชื่ก่อนถ้าพุโทโธของพุโทโธจะเกีงให้เห็นพลิกเข็นฉิงกัน ถ้าภาวนาร่างกายก็ร่างกายจริงเดี๋ยวกคำนั้นเดี๋ยวกับคำนี้ก็ลบตัมไม่ได้ความละนั่นภาวนาให้ติดต่ออยู่ทั้งยืนทั้งเดิ น, ท, นทั้งนั่งทั้งนอนนั่งวิธีไหนก็ไม่เป็นปัญหาดอกจะนั่งพักเพียบก็ไม่เป็นปัญหาจะนั่งขัดสมาธิก็ไม่เป็นปัญหาจะเดินกลับไปกลับมาทางซ้ายขวาก็ไม่เป็นปัญหาทางนั้นแหละจะนอนนอนตะแคงซ้ายหรือขวาก็ไม่เป็นปัญหาแต่นอนตะแคงซ้ายมันไม่ถนัด หรือนอนหงายก็ไม่ได้นานเดีเ๋ยวก็พลิกมาทางข ว, วาภาวนาได้ทั้งนั้นยืนเดินดนั่งนอนไม่ไม้แต่หลับเท่านั้นเรามีอิสระเลยไม่ได้ยืมใครใค ร, ใครมาอีกฮึฮึหึพวกเราตื่นกันที่นี่น ที้ายก่เอนนเออได้นอนภาวนาอภาวนาเาไม่แน่ใจเาล็บปูก็นอนภาวนามากกว่าเพื่อนทุกวันนี้่ไหะอปูเจ้าคะจะได้นิานหรือเปล่าเจ้าคะเออที่นอนเนี่ยเจ้าคะมันยหอ่ะได้พนิทานมันีนั่งไม่เคยได้เจ้าคะแล้วหนูก็คลองใจหนูก็นอนภาวนาเอาเออเวลาเราจะตายล้วก็นอนตายไม่ได้นั่งตายหรอก เวลาเราจะตายแล้วก็นอนตายเป็นส่วนมากไม่ได้นั่งตายเออคือคือถึงนิพพานเหมือนกันเหรอคะถึงนิพพานเหมือนกันนอนหรืแล้วมันนอนอยู่แล้วเน่ยนอนมันเป็นเรื่องของสังขารเนี่ยก็ต้องนอนภาวนาก็ได้เหมือนกันได้ละคะได้ที่เราไม่ผิดนะคะไม่ผิดยืนเดินนั่งนอนที่เดินจงกรมก็หมายความว่าเปลี่ยนอิรีย์บทถ้ามันเหนื่อยนั่งก็ไปเดินถ้ามันเหนื่อยเดินก็ไปยืนยืนเดินนั่งนอน ภาวนาได้ทั้งนั้นมีอานิสงส์เสมอกันนอนไม่ควมนอนไม่หลับถ้าหลับแล้วก็แล้วไปนุ้คนี่หนูได้อีกองหนึ่งนะคะคือวิ่งภาวนาเออนั่นก็ดีนะวิ่งช้าเช้าคือวิ่งออกกลังกายช้าเ้ที่ะนะคะที่จะไปจักแล้วก็พูดพูดอเออคนใจเร็วคนใจเร็ววิ่งภาวนาก็ได้คนใจเร็วเพราะแต่ก่อนเคยเคยแข่งมานะ ในชาติก่อนเคยเป็นโคดแข็งมากภาวนาแข็งมากพุทโธพุทโธเกยงว่าจะไม่ชนะเขาขึ้นบนหลังมากเลวกอพุทโธพุทโธเียงว่าจะไม่ชนะเขาเคยเคยเป็นนายฝึกมากได้เวลาวิ่งนะคะวิ่งไปด้วยแล้วก็ภาวนาไปด้วยเลยเออดีมากค่ะเออดีดีดีอุบายของใครของมันอุบายของใครของมัน ดีมากทัท้งหลปู่นะคะปปู่ไม่ประชุกประชุกพุทโธธรมสังโูพุทโธธมโสังขูพโธธมสังขูนิพพานะ่นิพพานะั่หลวงปู่ก็ดีลูกทางห ล, กกลานก็ดีใอ้พ้นทุกเสียในชาติานี้อย่ามาท่องเที่ยวอีกทุกทุกท่านก็เหมือนกัน ูกหลวงปู่เอ็นปู่อาไว้จากว่าในใจฮะเล่มลูกหลานลจิอืมอลูกหลวงปู่ไปเที่ยวรวงโลกทุกสิ่งทุกทุกมนฑุแห่งนี่นเองเขาที่มาถ่ายเขาเรื่องแล้วพุตโทธโมสังโกอ๋อลูกพระพุทธธรรมประสงค์ไว้ในใจ ลูกทานลูกศินปูกภาวนาลงในใจนันละมหาลูกตัวธมสังโกคุณผู้คุณจิตมาฝากกราบมาตรการมาด้วยค่ะือกเมื่อวันเกิดของจิตมาวุธที่สี่สิงหาเนี่ยนะคะก็ทันเจนทำบุญให้ตัวเองแล้วถ้าิุขภาพก็ดีอืจิตมาที่นี่เธอสบายอยู่ ปฏิบัติชิ้นทำเธอก็ปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติอยู่ค่ะทำบุญมากเลยคะแล้วก็เป็นมัคคุายกของที่วัดบริตันด้ค่ะนการเงินค่ะู้โทรโมอจะลงเขากรรม น่ะค ok ุณโทะโมซักโกเอาแต่หัวให้รงถึงใจเนาะคุณโทตโมซักโกอ๋อเราปูคนนี้กล th ัว mm ผีเ hmm> ่ะ mm ลุง hmm> ปูผีที่ไหนมีไม่รู้เพราะว่าเขากลัวจริงจริงอผีโคผีกระบือผีโคผีผีกระบืออยู่ในท่อผีปลาทูกลัวมันทาไมพยางใน่ไหม ที่คืนนี้ขอถวายนี่คุณนี้ฟังคนนะฮึแล้วตายแล้วหลวงปู่เขาเขาเป็นร้านขายยาอยู่แล้วก็เคยจัดยาให้คนทานอยู่เรื่อยเขาออกไปซื้อยามาเขาจะให้หลวงปู่ทานคืนนี้ค่ะแล้วคุ่งนี้ช้ารุ่งจะฟังข่าวจากหลวงปู่ว่ามันบรรเทาไหมจะแบอย่างน้เดี๋ยวขอคุณเบนทงรล่นให้ท่านฉันก่อนแล้วค่อยถอายาเลยนะ อันน um. ี One, love, anymore, ้หนึ่งเม็ดนะคะเขียไว้เลยนะคะแกแน่นให้ใจรักษาทีนี่งเมดก่อนนอนอันนี้เม็ดมอันนี้เมดวันละเม็ดเดียวหลังอาหารเช้าเราะกว่าท่านท้องว่างแล้วไม่ได้ท่านฉันันเทนผมันเป็นบอกว่าเดี๋ยวผิดผื่นี่ไหนกัแดที่เคก็เขียนไว้ทุกทุกซองไวเองเวมันเฉลี่ยผิดมานะเดี๋ยวผิด ไม่แก้แน่แน่เวลาลงปู่หายใจเหนื่อยแน่ๆนะะเาใลงปู่ถนัดนั้นค็ธรรมดาก็เป็นคนจัดยาให้ลูกค้าที라อยู่เลยถ้ามาเห็นลวงปู่เหนื่อยก็เลยบอกว่าพระจถวายยาให้นิ่นฉันก่อนถ้ามันต้องกะโรกของท่านมันบรรเทาดีก็ซื้เิมมานี่เข้ปากยามาถวายลงปู่จังหวะปลวง นิสสากปดะพิาสสาวกงขางทางเหนื่อยนั่นเป็นเพาะวาแบาวหลวงปนี่เดี๋อนก็พิชชาณนิสสเาิ่งจะมางตกอืมชาณสสาวีนชายเป็นทหารในศึกระนอยู่ แล้วเขาไปที่หน้าเขาจะเป็นแม่ที่จับเขาเข้าคกตอว่าเขาอกเขาจะทำให้เขายตี่ดหิบปี๊ดเขาบอกเขาเดี๋ยวเขาทำเรื่องให้ติดเขาเขาจะทาตัวเขาเองว่าเขาจะทำแก้คุณมารดาด้วยเขาคิดว่าเขาดีทันที่เวลานี้ก็เป็นอยู่ก็มารดาแต่เขาเข้าคกเขาเลยจะแตล้มมารดาเราจะแกลงมําเสตยะทุกใจลูกคนนี้เกินยิ่งไปชดมารดาอีกด้วย มันก็กรรมใหญ่แน่เขาพูดไปดไปชมเขาทำไปชดเขาก็เป็นกรรมใหญ่นักแต่วันจะเป็นกรรมใหญ่จะไปชดบิดามันดาปู่เะแต่ตอนนี้เายังไม่ได้ทแต่เขาบอกมาตอนที่จะพูดจมาเนี่นปู่เนี่ยเรือจะตัดอินแดงไม่ได้มาถึา